นะโมตัสสะพังวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพังวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพังวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะสุโขปุญญะอุจโยติ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 ไม่ต้องกลัวค่าศึกมันจะมาทำลายภายในบ้านเรานี่คือมันก็น ก, นการแบบพิษษษษิบัตานี่ถ้าเราฝึกดีแล้วไม่ต้องกลัวว่าจิเลตตัวไหนมันจะเข้ามาก่อก ว, วนยั่วยุนทำให้ฟุ้งต้านวายทำให้เสียผู้เสียคนถ้าเราฝึกดีแล้วมันไม่มีปัญหาเราลูกมันพอมันมาเราก็รู้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 ในระหว่างใจอมันสงบกายก็สงบวาจาก็สงบก็อยู่เป็นสุขจะภาวนาจะอไปจะมาจะอะไรก็มีสติมีปัญญาเวนกรกำบาปกรรำทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดจะเป็นขึ้นมาได้เพราะเรามีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนั่นทําบาปไม่ลงทําบาปไม่ได้อพอจะทําบาปทํากรรมผิดจักสินอยากทํา เรามีสติมีปัญญาดูแลหัวใจเราอยู่เราก็ทำไม่ลงทำไม่ได้ก็เรากาพึ่ให้มันดีขึ้นยิ่งยิ่ขึ้นไปนักก่งสมาธิภาวนาอย่าขี้เกียจอย่ามักได้ยอย่านอนเตื่นสายตื่นขึ้นมาได้ปล่อยพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาชำระส า, าสางจิตใจให้มันผ่องมันใสให้สำรวจตรวจตาดูทุกเวลา นอกจากนั้นสังขารร่างกายของเรามันเป็นยังไงเราต้องน้อมมาพิจารณามันแปรปลี่นเปลี่ยนแปลงไปนะสังขารร่างกายเนี่มันไม่ได้อยู่คงเส้นคงวามันมีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงมันมีการสรุญสุูโสูอเราจะต้องพิจารณาในแต่ละทั้งสามมาเห็นอนันจังคือความเมตเที่ยงอะไรมันเที่ยงมีไหมอยู่ในสารพังร่างกาย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 มันห่วงยังหามมันยังห่วงยังแหนอยู่มันยังยึดยังติดยังมีความพอใจยินดีคือในธาตุในขันในสังขารร่างกายถึงจะแจมันก็ไม่ยอมอยากจะแจกนะมันสู้มันต้านมันต้านความแจมันต้านธรรมะของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องแจกนะ่นฟังสิพุทธเจ้าว่าเกิดมาต้องแจกนเกิดขึ้นมาต้องเจ็บนะเกิดขึ้นมาต้องตายนะ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 ปัญหาเข้ามาใส่ตัวหาความทุกข์มาใส่ตัวเองปกติของใจเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่นิ่งเฉยน ะ, ะมันดิ้นมันลนมันตะเกียกตะกายแต่เรามาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติมานั่งสมาธิภาวนาเมื่อจิต ใ, ใจสงบแล้วมันไม่ทุกข์มันไม่วุ่ไม่วายเราจะพิจารณาจะบแท่งเขาภายในกายเห็นอนิจจัง ชัดเจนเห็นทุกครั้งแน่นอนเห็นหนาตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเรา благодар. ทุกอย่างสาวกวักประการใจมันจะมายึดมาติดมันจะมาเอาตรงไหนมันจะพอใจยินดีอยู่ตร ง, ตรงไหนพิจารณาแล้วมันไม่ได้สักอย่างสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรามันก็ไม่ได้เป็นของเราสิ่งที่ว่าเป็นที่เรายึดเราถือว่าจะจะได้มันก็ไม่ได้ววไดมันไม่ได้สักอย่างสาวกวักประการ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 ถ้าใจมันไม่สงบใจมันไม่สบายมันก็ไม่มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่กับเงินกับทองกับสมบัติเสมอไปนะมันอยู่ที่จิตที่ใจถ้าใจดีอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่กับทัอปหลังเล็กก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่กับหมู่กับพวกก็สบายอยู่ในโลกเป็นสบายไปก็สบายมากก็สบายตาไปก็สบายมากเกิดก็สบายน่าถ้าใจของเรามันสบายแล้วล้วฝึกดีแล้ว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 ไห้พิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเมื่อหลบความเจ็บไม่ได้หนีความเจ็บไม่ได้หนีความตายไม่ได้ใจมันก็อยู่เนี่ยพิจารณาทุกวันวันทุกวั น, วนบอกสอนวันนี้เจ้านะมีเจ็บมีตายนะมีความพลดภาคจากกันนะไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องพลดภาคจากของรักของชอบใจพลาดจากลูกจากหลานจากสมบัติพระสถานถึงแม้เรามาจากจากมันก็จําเป็นจําใจจะต้องจากนะ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 อ่ามันพวกนี้ อ, อยอมภาพที่ได้เรื่องเจ็แป่เจ็บบตายอ น, นิจจังทุกขงาาังนัตตาบางทีคิดว่ามันเป็นอัปปะมงคลอ่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลพระพุทธเจ้าถามพระพุทธถามพระอานุนอานน์ซึ่งเป็นพุทธอุทากของพระพุทธเจ้าอานุนเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอา น, นุ์ตอบพระพุทธเจ้าว่าวันละร้อยครั้งพระพุทธเจ้าค่ะโอ้เธอ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 นั่นมันเป็นสกิีเป็นพยานเห็นได้ชัดเจนเลยมันแฉะจริงจริงมันเจ็บจริงจรงมันตายจริงๆคนตายแล้วก็ตายให้เราเห็นอยู่คนรวยก็ตายคนจนมันก็ตายคนฝรั่งอังกฤษอยู่ประเทศไหนมันก็ตายทั้งนั้นมีแจ่มีเจ็บมีตายนั่นพระเจนะว่าเกิดนมาขั้นมามีเกิดต้องมีตายไม่ว่าชาติชาติชาติาวันณะไหนตายกันทังนั้น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 เกิดขึ้นมาถึงยังไงก็มีความสุขจะทำมาก่าขายจะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการมีผัวัผัวดีมีเมียกับเป็นคนดีมีลูกก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดียศท้าบรรดาศักดิ์เงินทองเจ้าของสมบัติพระสถานข้าอาจบริบาลมีทุกสิ่งทุกประการมันกับเป็นสวรรค์ในโลกมนุษย์อันหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่ทุกำลกรรมลาบาก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 น้อมนำไปพินิษฐ์คิจรนาให้ปฏิบัติให้ปฏิปบัติอย่าลดละอย่าท้ออย่าถอยชีวิตของเรามันเดินหาความตายทุกวันทุกวันนะวันนี้ก็เที่ยงเบี่ยงบายไปแล้ววานก็หมดไปวันนี้ก็จะหมดวันเวลาไปแล้วเราต้องคิดน ะ, ะเราจะ ไ, ไม่ทำวันนี้เราจะทำวันไหน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 อนโมธนาท่านกับกู้ปกองปกป้อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ละคนมีเทวุตรเทวดาดูแลรักษาไม่่ํากว่าสองนะดูแลอยู่แล้วทําผิดท่านก็รู้ทําถูกเราก็รู้นั่นน่ะทําหน้าที่แจ้งที่รับอย่างไรก็เราก็ปิดบังหัวใจเราไม่ได้เราทําทดีเราก็รู้ทําผิดเราก็รู้นั่นเราจะแจ้งหรือไม่แจ้งอยู่ที่เรา อ่าเราจะแจะไหมเราจะทําดีไหมมันอยู่ที่เราจะให้ใครมาแจะทั้ง ใ, ใครมาปล่อยมาวางมาลดมาละให้ใครมาสร้างบุญบารมีให้เราเราต้องทําเองเราทำต้องทําเองอ่เมื่อเหมือนโลกมนุษย์นี่อ่ามีอะไรยังแบ่งยังปันกันได้แต่ธรรมะธรรมโมจิตใจนี่ต่างพคนตั้งประพฤต่างพ่ตางปฏิบัติ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 อย่าไปมองทางลบน้อมมาเป็นธรรมะมองในทางถูกก็ดีใจของเราก็ดีมีแต่ควางชุ่มลึกพักดีมีแต่ความสงสารเมตตากับเพื่อนมนุษย์เกิดแจ็เจ็บตายอยู่มาถึงพันตีก็ต้องแตกต้องตายจากกันไปแล้วทําไมเราจะมาทะเลาะวิว่าด<ม>แตกแยกสามัญชี<ม>เราต้องมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมนั่นคือสิ่งที่สําคัญ